ในพระปัชิมเม ว, วา่าในวาระสุดท้ายตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปองค์ได้ทรงตัดสร้างตัดสอนไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายไว้ว่าสังการทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง ตรงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่เป็นคำพูดครั้งสุดท้ายของพระ พ, พ, พุทธเจ้าที่มีความห่วงใยในสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังหลงมัวเมาอยู่กับ ชีวิตของตนไม่เคยคิดถึงว่าไม่ช้าก็เร็วชีวิตของตนก็จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปเมื่อชีวิตได้หมดไปแล้วประโยชน์ที่พึงจะได้ประโยชน์ที่พึง จ, พงจะกระทำก็จะไม่ได้กระทำ และถ้ากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็จะต้องรอไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานกว่าที่จะได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง มีครั้งนี้ที่มีบุญมีวาสนาะที่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างนำทางพาสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระองค์จึงทรงเตือนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทก็คือการไม่ระลึกถึงความเสื่อมความสิ้นสุดของชีวิตของสังขารร่างกาย้รงเตือนให้พิจารณาอยู่เนเนืองๆว่าเราเกิดมาแล้ว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 ล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไม่ได้เราจึงควรรีบสร้างประโยชน์คือสร้างธรรมะให้มีปรากฏขึ้นมาภายในใจเพื่อที่จะได้คุ้มครองรักษาปกป้องจิตใจไม่ให้ต้องทุกข์ กับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการพัดพรากจากกันและกันถ้าได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจก็จะมีธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจที่จะ คุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ที่จะป้องกันใจไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเอกต่อไปได้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเกิดจากการไม่ประมาทนี้เอง เพราะถ้าเราเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราลึกถึงการพัดพลากจากการละกันเราก็จะได้หันทิศทางของการดำเนินชีวิตของเราจะไม่ไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องจากสิ่งต่างๆไปจะมาสนใจกับการสร้างธรรมะที่เป็นสิ่งที่จะติดอยู่กับใจไปตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในภพนี้หรือจะไปอยู่ในภพต่อไป ถ้ามีทมไปกับจิตใจจิตใจก็จะไปอย่างสงบไปอย่างสบายไปอย่างมีที่พึ่งไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจาก พวกเราไปประโยชน์ตนก็คือการสร้างธรรมะให้มีเต็มอยู่ภายในหัวใจเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือประโยชน์เบื้องต้นที่เราต้องทำก่อนคือประโยชน์ตนก่อนที่เราจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เราต้อง สร้างประโยชน์ให้กับเราให้ได้ก่อนพอเรามีประโยชน์แล้วเราก็นำประโยชน์ที่เราได้สร้างขึ้นมานี้เอาไปเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติพอเขาได้ปฏิบัติแล้วเขาก็จะได้ประโยชน์ต่อไปดังนั้นการที่เราออกมาบําเพ็ญ มาปฏิบัติธรรมกันนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวแต่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเราต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตัวเราก่อนก่อนที่เราจะช่วยให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องหลุดพ้นจากความทุกข์เองก่อนเราต้องหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อนไม่เช่นนั้นถ้าเราไปสอนผู้อื่นโดยที่เรายังไม่ได้หลุดพ้นเราก็จะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นได้ดังนั้นเราอย่าไปกังวล ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งบุคคลต่างๆไปเพื่อมาสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นก่อนเพื่อมาบำเพ็ญตนให้ได้ธรรมะให้ได้มรรคผลนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าเราไม่มาบำเพ็ญเรามัวแต่ไปทำ ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเวลาที่จะบำเพ็ญก็จะไม่มีเพราะเราจะมีความผูกพันในการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะมันไม่มีวันสิ้นสุดประโยชน์ทางโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดทําไปเท่าไหร่ก็ต้องมีให้ทําอยู่เรื่อยๆ ช่วยคนนี้แล้วเดี๋ยวก็มีคนนั้นมาขอความช่วยเหลือต่อช่วยคนที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วเดี๋ยวเขาเดือดร้อนอีกเขาก็กลับมาให้เราช่วยเลออกีก็ต้องช่วยกันไปจนวันตายเราะจะไม่มีเวลาที่จะออกมาช่วยตนเองไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น การที่เราต้องการผลคือมรรคผลนิพพานนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาเวลาที่เรามีอยู่ทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติอย่างที่พระภิกษุทั้งหลายท่านได้บาเพ็ญกันท่านจะละภารกิจต่างๆหน้าที่การงานต่างๆ ไปหมดแล้วก็มาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตั้งแต่เตื่นจนหลับท่านจะไม่มีเวลาว่างจากการปฏิบัติหรือการศึกษาเลยเตืนขึ้นมาก็เจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยเต๋ย เพราใจของสัตว์โลกนี้ถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะคิดไปในทางตันหาความอยากคิดไปในทางสร้างความทุกข์ให้แก่ใจยึงต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถ้าใจไม่คิดได้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขจะมีความพอใจกับ สถานภาพของตนไม่ว่าจะมีมากมีน้อยก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะทำให้ใจได้เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ได้ถ้าใจยังเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ไม่ได้ใจยังจะไม่มีพลังไม่มีกำลังพอ ที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆทําลายความอยากทําลายตัญหาต่างๆให้หมดไปได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะทําภารกิจอันใดก็ตามต้องมีสติคอยกำกับใจไปอยู่ตลอดเวลา ก็มีชีวิตของนักบวชนี้ที่จะเอื้อต่อการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะนักบวชจะไม่ต้องมีภารกิจที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสามารถอยู่ตามลําพังได้ปีกวิเวกได้ถ้าไม่ได้ปีกวิเวกไม่ได้อยู่ตามลําพังก็จะมี สิ่งที่สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะมารบกวนมาทำลายการเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าได้เป็นนักบวชได้อยู่ตามลำพังได้บำเพ็ญได้เจริญสติสติก็จะต่อเนื่อง เมื่อสติต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายและได้เร็วพอใจสงบแล้วก็จะมีพลังพลังนี้เรียกว่าอุเบกขาความนิ่งเฉยความนิ่งเฉยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต่อต้านตันหาความอยากได้เวลาเกิดความอยากถ้ามีอุเบกขา ก็จะสามารถฝืนไม่ทำตามความอยากได้จะไม่รู้สึกทรมานเหมือนกับเวลาที่ไม่มีอุเบกขาเวลาไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากนี้ทนไม่ได้จะต้องทำตามความอยากเมื่อทำไปแล้วก็จะติดจะต้องทำไปอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้จะ ไม่หมดไปจากการกระทำตามความอยากแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความอยากก็เท่ากับต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ทำตามความอยาก ก็จะทุกข์จะทรมานใจหรือว่าไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ทรมานใจความอยากจึงเป็นตัวที่ดึงใจให้ไปสู่ความทุกข์มีอุเบกขาและปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกจากความทุกข์ได้ด้วยการเห็นโทษของการกระทําตามความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงให้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาสิ่งที่ให้ความสุขนั้นหมดไปก็ต้องหามาทดแทนใหม่อยู่เรื่อย การหาก็เป็นความทุกข์แล้วการหาแล้วไม่ได้ก็เป็นความทุกข์หาได้แล้วเดี๋ยวหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์อีกมันก็เลยเป็นเรื่องของการเดินเข้าหาความทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาชี้บอกให้เห็นความจริงอันนี้เวลาเกิดความอยากก็คิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะได้ความสุข ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังตามมาอยู่ข้างหลังพอความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาผู้ปฏิบัติจึงจะเป็นจะต้องเจริญสติหรือเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะได้รักษาอุเบกขาไว้ ถ้าจเจริญด้วยสติก็จะเป็นการรักษาแบบไม่ถาวรเพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายตันหาความอยากได้ถ้าอยากจะทำลายตันหาความอยากก็ต้องจเจริญปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากต้องใช้ปัญญากำจัด ต้องให้ปัญญาสอนใจว่าอย่าทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี้จะทาพาจะนาพาไปสู่ความทุกข์ต่อไปนี่คือการปฏิบัติของผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพคือไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำมีแต่ภารกิจการเจริญสติ จเจริญสมาธิและการจเจริญปัญญาถ้าได้เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่จะต้องตามมาในเวลาอันไม่ช้านี้ก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาคือจะไม่ ให้ความสำคัญไม่ให้เวลากับสิ่งที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายที่ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอจะต้องคอยหา มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆหาไปจนถึงวันตายพอถึงวันแก่วันเจ็บวันตายก็เป็นวันทุกข์เพราะไม่มีธรรมะมาปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไม่ให้ทุกข์กับความตายไม่ให้ทุกข์กับการทัดพ่าจากกัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปสังขารก็คือร่างกายของพวกเราทุกคนและข้าวของเงินทองสมบัติต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกันมีการเจริญก็มีการเสื่อมหมดไปได้ ถ้าพวกเราเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะทำให้เราคลายความหลงคลายตัณหาความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะจะเห็นว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงพึ่งได้บางเวลาแต่ถึงเวลาที่พึ่งไม่ได้ก็ก็จะพึ่งไม่ได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บ เวลาตายเวลาสูญเสียบุคคลที่รักสูญเสียสิ่งที่รักไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้หันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าเข้าหาการสร้างประโยชน์ที่แท้จริง ให้แก่ตัวเราก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะมีวิมุติคือการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พอเราเห็นความสําคัญของการศึกษาความสําคัญของการปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติก็เราจะได้ไปอยู่ตามสํานักปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําสั่งสอนที่คอย เตือนคอยสอนให้มันภาวนาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีใครเตือนคอยสั่งคอยสอนจิตชอบทะเลถะะลัยถึงแม้จะไปอยู่แบบนัก บ, บวชแล้วก็ยังเผลอที่จะถูกกิเรหลอกให้ไปทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานภาวนาได้จะนัก บ, บวชพระนี่ ท่านก็มักจะถูกกิเลสหลอกให้ไปสร้างกุติบ้างให้ไปตัดเย็บจีวรทำบาศ ท, ทาสะพายที่สะพายบาศตลกบาททำเรื่องของอัตถะบริขารแล้วก็ทำเรื่องของสาราของโบสถ์ของเจดีย์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่สำคัญคือสำคัญในระดับหนึ่งแต่ไม่ควรเสียเวลามากจนเกินไปอัฐบริขานถ้ามีพอใช้ได้แล้วก็ใช้มันไปอย่าไปคอยเปลี่ยนคอยไปพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพัฒนาเรื่องอัฐบริขาน เรื่องที่อยู่อาศัยเช่นกุติสารามันก็ไม่ได้มาทำให้จิตใจเจริญในทางธรรมจิตใจเจริญในทางธรรมก็ต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นครูบาอาจารย์จึงคอยเตือนลูกเส์ลูกหาให้ภาวนาอยู่เรื่อยๆให้ไปปีกเว้วไปอยู่ในปา่า ที่สงบที่เย็นไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิถ้ามีหนังสือธรรมะอยากจะอ่านบ้างก็ได้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่สะดวกที่จะคอยอบรมสั่งสอนก็ต้องอาศัยการอ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์สลับกับการปฏิบัติ แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปกราบเรียนถามท่านได้ท่านก็จะช่วยชี่แนะแนวของการดำเนินที่ถูกต้องต่อไปได้เวลาไปไปปฏิบัติแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติเพียงอย่างเดียวภารกิจอย่างอื่นถ้าต้องทำก็ทำเท่าที่จำเป็นเช่นภารกิจในโรงครัว ก็ทำเท่าที่จำเป็นเวลาต้องทำกับข้าวกับปาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง<ม>ก็ทำไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆอย่าไปทำเพื่อเพื่อเป็นบุญด้วยการทำเพื่อให้ไปถวายพระเนินการเป็นจำนวนมากมายจนเสียเวลามากเินเกินไปทำเท่าที่จำเป็นพระเนินท่านก็ มีการบินทบะเลี้ยงชีพอยู่แล้วยกเว้นกรณีที่อยู่ในวัดที่กันดาลห่างไกลที่มีญาติโยมใส่บาทน้อยอาจจะต้องอาศัยรงครัวทำอาหารมาเสริมก็ทำเท่าที่จำเป็นเท่าที่สมควรทำงานภายนอกให้น้อยที่สุด ให้พยายามทํางานภายในให้มากงานภายในก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้ก็ทําได้สองวิธีด้วยกันคือจเจริญสติถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิก็ให้จเจริญสติให้มากๆากเพราะถ้ามี ส, สติมากแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกขาตตารมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาได้พอออกจากสมาธิมาแล้วถ้ายังไม่ชำนาญในการเข้าออกสมาธิก็ให้เจริญสติต่อไปก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญาก็ได้ขอให้เราชำนาญในทางสมาธิขอให้เราเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการจะเข้า ให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดทั้งวันถ้าเรามีสมาธิแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วทีนี้เราก็ควรจะออกทางปัญญาเวลาออกมาจากสมาธิการเจริญปัญญาก็จะมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือ เวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาต่อสู้เพื่อให้หยุดตัณหาให้ได้คือไม่ให้ใจไปทำตามตัณหาหรือถ้าออกมาแล้วยังไม่มีตัณหาก็ให้พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาในสิ่งที่ใจยังมีความสนใจยังมีความรักมีความชอบ ยังมีตันหาอยู่แต่ยังไม่เกิดในขณะนั้นก็ให้พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะเวลาถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดตันหาขึ้นมาเราจะสู้มันไม่ได้เช่นถ้าเรายังไม่สามารถหยุด ตันหาคือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เรายัางกลัวเรายัางวิตกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องหมั่นพิจารณาร่างกายนี้อยู่เรื่อยว่า <c oughs> ร่างกายนี้เป็นอาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตน เป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราวของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นอ น, นิจจังเือไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเวลาตายไปก็จะสูญสลายกลับคืนสู่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ พิจารณาอย่างนี้ไปให้จนไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้รับมาจากพ่อจากแม่เพื่อที่จะเอามาใช้ทำตามตัณหาความอยากของเราเหตุท <oro> <olo> ี่เรามาเกิดเหตุที่เรามาได้ร่างกายนี้ก็เพราะตัณหา ที่ยังมีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาสนั่นเองเรายังมีกามะตหายังอยากดูรูปยังอยากฟังเสียงยังอยากนมกลิ่นลิ้มลิ้มรสยังอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราจึงต้องมาแสวงหาร่างกายอันใหม่แล้วเราก็ได้ร่างกายอันนี้จากพ่อจากแม่มามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการหารูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะเวลาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาได้มาแล้วหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องเกิดความอยากที่จะต้องหาใหม่ชีวิตจิตใจก็ต้องดิ้นรนอยู่กับการหาความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายจะตายจะได้ปล่อยมันได้จะไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเวลาเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันจะแก่เราก็หยุดมันไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี้ เห็นโทษของความอยากของเราเราก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองพอเราไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ทรมานใจก็จะหมดไปนี่คือการพิจารณาเพื่อตัดตันหาความอยากในร่างกายถ้าเกิดยังไม่มีตันหาก็พิจารณาไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อน วเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเราจะได้หยุดตัณหาได้หรือถ้าเกิดตัณหาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาออกจากสมาธิมาแล้วมาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องใช้ปัญญามองให้เห็นว่าความทุกข์นี้มีสองส่วนความทุกข์ความเจ็บทางร่างกายกับความทุกข์ความเจ็บทางใจ ความทุกข์ความเจ็บทางร่างกายนี้เราห้ามไม่ได้เขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเจ็บแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องหายไปอยู่ดีเพราะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงส่วนความทุกข์ความเจ็บของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากของเราอยากไม่เจ็บอยากให้หายเร็วๆอยากให้หายทันที ทีนี้มันไม่ยอมหายทันทีถ้ามีความอยากก็จะมีความทรมานใจความทุกข์ทางใจนี้เราทำลายได้เรารักษาได้ด้วยธรรมโอสถก็คือปัญญาที่เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราได้พิจารณามาอย่างต่อเนื่องแล้ว พอเกิดความเจ็บไา้ได้ป่วยก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาไว้สอนใจว่าให้เจ็บเพียงครึ่งเดียวหรือให้เจ็บที่ร่างกายเพราะเราห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้แต่เราอยากมาเจ็บที่ใจเพราะเราสั่งได้เราห้ามได้เราสั่งให้ใจไม่เจ็บได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าความเจ็บของใจเกิดจากความอยากของใจเอง พอใจหยุดความอยากได้ใจก็กลับไปเป็นอุเบกขานิ่งเฉยปล่อยวางไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายนี่คือแนวทางของการเจริญปัญญาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าพิจารณาเป็นก็พิจารณาทางปัญญาไปเลยก็ได้แต่ ควรจะให้มีความมั่นใจก่อนเกี่ยวกับสมาธิว่าเรามีความชำนาญหรืออย่างเราเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาหรืออย่างเราสามารถรักษาใจให้มีความสงบอย่างต่อเนื่องได้หรืออย่างเพราะว่าสมาธินี้เป็นเครื่องมือสาคัญในการที่จะใช้การเจริญปัญญา ในการที่จะดับตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าสมาธิยังไม่พร้อมกาลังยังไม่เต็มที่ก็จะไม่สามารถที่จะตัดตันหาความอยากให้ได้อย่างเต็มที่ให้ขาดไปเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าพอเราได้สมาธิแล้วเรายังมาเจริญสมาธิอยู่ กลัวว่าจะติดสมาธิก่อนที่เราจะติดสมาธิได้เราต้องมีสมาธิก่อนอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเวลาเพิ่งได้สมาธิมาใหม่ๆจิตรวมเพียงครั้งสองครั้งนี้ยังไม่ถือว่าติดสมาธิขอให้จิตรวมอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเวลาที่นั่งก็ทำจิตให้รวมเป็นอุเบกขาได้มีความชนานาญมีความ มีความแน่วแนทุกครั้งเวลาจะต้องเข้าสมาธิก็เข้าได้เพราะว่าบางครั้งเวลาออกมาข้างนอกแล้วมาเจอความทุกข์มาเจอปัญหาเจอตันหาที่ปัญญายังไม่สามารถที่จะกําจัดได้อย่างน้อยก็จะได้มีที่กลับไปหลบก่อนไปพักก่อนก็คือมีสมาธิ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถตัดปัญหาความอยากได้ถ้าเราพยายามไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อีกต่อไปเราก็ควรจะหยุดในการพิจารณาทางปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนเพราะแสดงว่าจิตไม่มีกําลังพอ ไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับตัณหาความอยากก็ควรที่จะเข้าไปพักในสมาธิเหมือนกับเวลาที่เขาโชคมวยกันเขายังมีเวลาพักเขาโชคกันประมาณสามนาทีเขาก็ให้พักหนึ่งนาทีให้ไปพักเอาแรงดื่มน้ำแล้วก็ไปฟังคำแนะนำของของครูของอาจารย์ว่าเมื่อกี้ ต่อยผิดอย่างไรทำผิดอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราออกมาทางปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะสู้กับตัญหาได้เราก็กลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนทำใจให้สงบให้เป็นอุนเบกขาไปนานๆก่อนแล้วพอออกมาเราค่อยมาใช้ปัญญาใหม่ ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วตันหาความอยากก็จะต้องถูกเราทาลายไปอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีตันหาชนิดใดที่จะสู้ธรรมของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีตันหาตัวไหนที่จะสู้กับสติสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบได้ไหม พระพุทธเจ้าได้ทำลายตัญหาความอยากทั้งหลายหมดไปจากพระทยของพระองค์แล้วก็ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่รับไปศึกษาและปฏิบัติจนทำลายปัญหาทั้งหลายหมดไปจากใจได้ก็กลายเป็นพระอหรหันต์าัศวกขึ้นมาดัางนั้นพวกเราไม่ต้อง กลัวว่าเราจะไม่สามารถทําลายตันหาให้หมดไปจากใจได้เพีองแต่ว่าเราต้องมีเครื่องม้เครื่องมือให้พร้อมถ้าเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์คือสติสมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์ตันหาความอยากก็ยังจะไม่ได้ถูกทําลายได้อย่างสมบูรณ์เราก็ต้องกลับมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาใหม่ ทำใจให้สงบอออกจากความสงบ ก, ก็มาพิจารณาไตรลักษณ์ใหม่พิจารณาอนิจจังทุกขะอนัตตาใหมา่หรือถ้ามีปัญหากับเรื่องของการมาราคะคือการอารมณ์อยากจะเสพการอยากจะร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่นก็ต้องพิจารณาอสุภะส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่น อยากมองแต่ส่วนที่สวยงามให้มองถึงส่วนที่ไม่สวยงามที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเภายใต้ผิวหนังนี่มีส่วนที่ไม่สวยงามหลายอย่างเช่นโครงกระดูกหน้าตาสวยงามแต่ใต้ผิวของหน้าตานี้มีอะไรอยู่ก็มีกระโหลกศีรษะให้พิจารณาอย่างนั้นบ้าง ร่างกายนี้มีกระโหลกศีรษะมีครงกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่ที่ไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่าเกิดอารมณ์เช่นดูลำไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ดูอาหารที่อยู่ในลำไส้ี่เรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าถ้าเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้ของทางร่างกาย ก็จะสามารถดับกามารมณ์ได้ดับกามตัญหาได้อันนี้ก็ต้องอยู่เป็นขั้นๆไปขั้นต้นนี้ท่านพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาเพื่อปล่อยวางตัญหาความอยากในความอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยะ อยากไม่ตายให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องยอมรับความจริงต้องปต้องปล่อยเมื่อถึงเวลาจะต้องปล่อยเพราะถ้าปล่อยเป็นก็จะไม่ทุกข์การปล่อยก็คือการไม่มีตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ให้มีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เท่านั้นจะมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็จะรักษาอุเบกขาได้ต่อไปก็ต้องมีปัญญาสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากไม่ให้สร้างความอยากขึ้นมานี่คือเรื่องของการสร้างประโยชน์ตนเราต้องปฏิบัติ จนเราสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาภายใ น, นใจของเราได้พอเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้เราก็ไปสอนผู้อื่นได้แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญหกปีแรกทรงบาเพ็ญเพื่อตอนเองไม่สั่งสอนผู้ใดเป็นหลักจะสั่งสอนตอนเองเป็นหลัก อาจจะมีสาวกติดตามอยู่บางคนก็อาจจะมีการสอนกันบ้างแต่ไม่ได้เป็นแบบเป็นกิจลักษณะไม่ได้เป็นงานหลักงานหลักก็คือบำเพ็ญเจริญสติสมาธิปัญญาจนได้ตัดสรลุพระอนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณได้เห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในพะทไทของพระองค์เ ที่ทำให้พระองค์ได้ดับความทุกข์ทั้งหลายจนหมดสิ้นไปจากพระทัยแล้วหลังจากนั้นก็ท่งมาโปรดจัดโลกใช้เวลาถึง45ปีด้วยกันใช้เวลา6ปีสร้างประโยชน์ของตนเองแล้วก็ใช้เวลาอีก45ปีในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่นี่แหละเป็นการกระทำของผู้ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงทำด้วยเหตุด้วยผลความจำเป็นบังคับให้ต้องทำประโยชน์ให้กับตนก่อนก่อนที่ตนเองจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ตนเองต้องพร้อมเสียก่อนอย่างพวกเราก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ เราต้องช่วยตัวเราเองให้ได้ก่อนเราต้องกินข้าวให้อิ่มก่อนมีกําลังก่อนเราถึงค่อยไปช่วยคนอื่นถ้าเราไม่ได้กินข้าวไม่มีกําลังเราจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นการกินข้าวจึงไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวการปฏิบัติเพื่อให้ให้เกิดประโยชน์กับตนก่อนนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัว แต่เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องทําเพราะถ้าไม่ทํามัวแต่ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับตนได้ประโยชน์ที่สูงสุดได้ประโยชน์ที่ให้ทําให้แก่ผู้อื่นก็เป็นประโยชน์อันเล็กน้อยที่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาอ่ของทางร่างกายเท่านั้น แต่จะไม่มีการมาแก้ปัญหาของจิตใจได้เลยเพราะปัญหาของจิตใจของตนยังตนเองยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปแก้ปัญหาจิตใจของผู้อื่นได้อย่างไรแก้ได้ก็เพียงแต่ปัญหาทางด้านร่างกายหรือถ้าเป็นด้านธรรมะก็อาจจะเป็นด้านธรรมะเบื้องต้นเช่นการเจริญสติหรือการนั่งสมาธิแต่ การเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดวิมุตตินี้ถ้ายัางไม่ได้สร้างขึ้นมาก็จะไม่สามารถไปสอนให้คนอื่นเขาหลุดพ้นได้ดังนั้นในเบื้องต้นต้องไปสร้างประโยชน์ตนก่อนอย่างที่ทรงได้ตรัสไว้ว่าจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วคอยยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อห น, นึ่ง ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกอรหันทั้งหลายท่านบำเพ็ญกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านออกบำเพ็ญไปปีกวิเวทอยู่ตามลําพังเพราะมันเป็นความจําเป็นในการเจริญประโยชน์ตนนั่นเองถ้าอยู่กับผู้อื่นก็จะเสียเวลาจะไม่สามารถที่จะเจริญสติสมาธิปัญญา ได้อย่างต่อเ น, นื่องและได้อย่างสมบูรณ์ถ้าทำประโยชน์ของผู้อื่นควบคู่ไปกับทำประโยชน์ของตนมันก็จะได้ไม่สมบูรณ์ประโยชน์ตนก็ไม่สมบูรณ์ประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่สมบูรณ์ดังนั้นต้องยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนด้วยความไม่ประมาทให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย แล้วจะทำให้เกิดมีความกระตือรือร้นไม่มีความประมาานอนใจเพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะหมดไปเมื่อไหร่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่วันดีคืนดีก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาได้แล้วไปหาหมอหมอก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคร้ายก็ได้จะตายภายในเวลาอันไม่กี่วันกี่เดือนก็ได้ ดังนั้นให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้ปล่อยวางภารกิจต่างๆทั้งหลายไปให้หมดแล้วมาทําภารกิจที่สําคัญที่สุดของชีวิตคือการบําเพ็ญเจริญสัมมาทิฏฐอยู่แบบนักบวชออกมาอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้อยู่ตามลําพังอยู่ในทาหารที่สงบสงัดวิเวก เพื่อที่จะได้เจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องถ้าบําเพ็ญอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไว้แล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากครับพระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้เวลาเพียงหกปีเท่านั้นก็สามารถที่จะสําเร็จประโยชน์ได้ครูบาจารย์ที่เรากราบว่าบูชาท่านก็สามารถสําเร็จประโยชน์ได้ภายในชาตินี้ และมีเวลาเหลืออีกหลายสิบปีไว้ในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเคารพครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเอาแบบฉบับของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเยี่ยงอย่างมาปฏิบัติตามอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านของคนที่ไม่รู้เรื่องรูเราว หาว่าเราปฏิบัติสุดโต่งบ้างหาว่าเราเห็นแก่ตัวบ้างอันนี้เป็นคำพูดของคนหูหนวกตาบอดของคนที่ไม่รู้หลักทำความจริงว่าความจำเป็นที่จะต้องออกไปบาเพ็ญออกไปอยู่แบบนักบวชนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุดโต่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเอาตัวให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนี่เป็นวิธีเดียวเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังมัวทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยู่สลับกับการทําประโยชน์ให้กับตัวเราเราจะไม่มีวันที่จะสามารถทําประโยชน์ ของเราให้สำเร็จได้ภายในภพนี้ภายในชาตินี้อย่างมากเราก็จะได้ก็คือการสะสมบุญบารมีต่างๆไปซึ่งอาจจะต้องทำาอกหลายภพหลายชาติเป็นกลับเป็นกันด้วยกันจนกว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเองอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ส่งบำเพ็ญมาในอดีตก็ทรงทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นควบคู่กับการทำประโยชน์ ให้กับตนก็เลยเสียเวลาราช้ามากเพราะว่าหนึ่งไม่มีใครมาบอกให้รู้ว่าควรจะทำประโยชน์ของตนก่อนต้ค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของตนนี้ทำอย่างไรเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าคอยสอนนั่นเองแต่พบนี้ชาตินี้พวกเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มาคอยสอนมาคอยบอก ให้พวกเราปล่อยวางภารกิจการช่วยเหลือผู้อื่นไว้ก่อนแล้วให้พวกเราหันมาทาภารกิจของเราให้สาเร็จก่อนก่อนที่เวลาของเราจะหมดไปก่อนที่ชีวิตของเราจะสิ้นไปขอให้เราทำประโยชน์ของเราให้ได้ก่อนแล้วเวลาที่เหลือของชีวิตนี้ก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นเลยเพราะบรรลุแล้วก็ตายทันทีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมไปถ้าบรรลุแล้วยังอยู่ต่อไปก็จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ประโยชน์ผู้ น, นี้จะเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ของตนประโยชน์ของตนนี้สาคัญกว่า เพราะไม่มีใครทําประโยชน์ของตนให้กับตนเองได้ต้องทาเองเป็นเรื่องของอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแม้แต่ผู้อื่นก็ต้องเป็นอัตาหิอัตโนนาโถเพียงแต่อาศัยคําสอนของผู้อื่นเป็นผู้นําทางเท่านั้นแต่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นอัตาหิอัตโนนาโถอยู่ดีทุกคนจะต้องปฏิบัติเอง แต่การปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีคนบอกทางไม่มีคนสอนก็จะไม่สามารถสำเร็จได้จำเป็นจะต้องมีคนบอกคนสอนก่อนที่จะมีคนบอกคนสอนได้คนบอกคนสอนก็ต้องรู้จักทางก่อนถ้ายังไม่รู้จักทางไปสอนก็เหมือนกับคนตาบอดสอนคนตาบอดก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นในเบื้องต้นต้องแก้ ตาบอดของตนก่อนให้หายจากตาบอดตนเมื่อตอนเองหายจากตาบอดแล้วเห็นทางแล้วก็ค่อยสอนคนอื่นพาคนอื่นไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปนี่คือเรื่องของปัจฉิ ม, มโอวาทคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้สรงตัดไว้เพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้พวกเราประมาทมัวเมาอยู่กับความสุขปลอน อยู่กับความสุขชั่วคราวให้พวกเรารีบปล่อยวางลดละการหาความสุขปลอมความสุขชั่วคราวนี้แล้วให้เราหันเข้าหาการสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ที่แท้จริงสร้างความสุขที่แท้จริงด้วยการบําเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้สง่งบําเพ็ญและได้ส่งสั่งสอนแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์ เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอ า, หารหลนตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั่นก็คือการสิ้นสุดของการเวียนไหวตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ได้เข้าถึงบร ม, มสุขเกอนนิบบานังปรมังสุขขังการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ข อ, ขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปรปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนาระโสยถามณีโชติ อะราสโสยะถาสิตโยวิวชัชานตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจังุทธาปจายโนจตาโรโอธรมมาวาัทานติอายุวโนสุขัง าาต่อไปนี้ถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็เชิญถามได้ก็อยากกลับตอบถามพระอาจารย์ค่ะว่า อ, อุเบกขากับ การวางใจเฉยกับกับการไม่สนใจผู้อื่นคื อ, อจะทำไงบางครั้งเหมือนกับเราไม่ไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ตัวเองให้เราพยายามที่จะบรรลุหรืออะไรพวกเนี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าเราเร อ, อ่ามันเป็นเห็นแก่ตัวหรือไม่หรือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่แยกไม่ออกคะ่ะก็อย่างที่ได้เทศไว้แล้วไงว่า ถ้าเราบำเพ็ญเพื่อความดับความทุกข์นี้เราไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้บำเพ็ญเรายังอยู่ยังมีหน้าที่การงานมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไม่ใช่ปล่อยวางหน้าที่นั้นแต่ความเป็นอุเบกขานี้ก็ยัง ถ้ามีอยู่ในใจมันก็ยังเป็นอุเบกขาอยู่งั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่ความเป็นอุเบกขาก็คือใจไม่มีอารมณ์ไม่วุ่นวายไม่ไม่วุ่นวา ย, ไ ม, ไ, มววายไม่เดือดร้อนอกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาใจสงบใจจะเฉยแต่ไม่ได้แบบเฉยเมย หมายความว่าถ้ามีอะไรต้องทําก็ทําได้เพราะว่ามีปัญญาไว้พิจารณาทีว่าควรไม่ควรดังนั้นเวลามีอุบเบกขาจริงๆแล้วจะไม่มีความสงสัยไม่มีปัญหาอย่างนี้ที่ตอนนี้มีความสงสัยเพราะว่ายังไม่มีอุบเบกขาก็เลยไม่รู้ว่าอุบเบกขาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรงนั้นไม่ต้องกังวล ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะรู้เองรู้ว่ า, เ, าเป็นการเฉยเมยหรือเป็นอุเบกขาไม่ต้องกังวลขอให้มันมีอุเบกขาก่อนพยายามปฏิบัติให้เกิดอุเบกขาก่อนอมีการอยากจะถามปัญหาไม่หมดนี้่ ถ้าไม่มีก็มีคําถามมาจากทางบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตติดเชิญได้ครับพระอาจารย์ครับวันนี้การเทศวันนี้โดนตัวเองเต็มๆมากๆเลยครับพระอาจารย์เ mm. นื่องจากตัวเองเนี่ยทําภารกิจเพื่อผู้อื่นมามาก mm. ทั้งด้านสื่อทำและก็งานทําต่างๆโดยที่ขาดการปฏิบัติมานานนะครับพระอาจารย์จนทําให้ช่วงระยะเนี้ยเห็นตัวเองว่ามีความหลงหลงว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยพอแล้วดีแล้ว แล้วก็บางทีก็แถมมาด้วยมานะอัตตาอีกนิดหน่อยครับอาจารย์จนทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยจะลดไปมากจึงเริ่มหันกลับมาปฏิบัติและสวดมนต์ก็ทำให้สภาพจิตใจเริ่มกลับมาดีมากขึ้นเลยครับอาจารย์มีความหนักแน่นมากขึ้นไม่วุ่นว้าว <c oughs> <c oughs> เวลาใครพูดใครทำอะไรหน่อยไม่ไม่วุ่ว้าว ต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับพระอาจารย์สุชาติภพชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณแสงแดดสายลมนะครับการที่องคุรีมานได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนั้นเป็นการถึงดีแล้วไม่ปาดแต่จากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคำว่าวิชาสาม มีอย่างไรและเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปถามอาจารย์กู o g l e ดูต้องใส่เข้าไปว่าวิชาสามมีอะไรบ้างคือเราก็เคยอ่านมาแต่มันลืมไปแล้วเลยไม่อยากจะตอบเดี๋ยวกลัวจะาคาดเคลื่อนคำถามข้อต่อไปจากคุณทำลงนะครับข้อที่หนึ่งหากถือศีลกับมีอัตตา และความถือดีมากขึ้นเพราะคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นมีศีลมากควรแก้ไขและปฏิบัติอย่างไรก็ควรจะเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรารักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เราทําบาปไม่ได้รักษาศีลเพื่อให้เรายกตัวข่มท่านย ก, ยกตนข่มท่านก็ต้องคอยเตือนตัวเองตวนตัวเองว่าให้ระลึกถึงคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้เราทําตัวเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว ทำตัวเหมือนปัตถภีไม่ใช่พอเรารักษาศีลแล้วเราก็มาทําตัวว่าเราใหญ่กว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นกิเลสก็ต้องมีสติปัญญาคอยเตือนใจเท่านั้นเวลาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้องเหยียบมันเหยียบมันเหมือนกับเราเหยียบปัตภีเลยการที่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็แสดงว่ามีปร มีมีมีสติแล้วมีธรรมะแล้วรู้ตนแล้วว่าตอนนี้ตนเองคิดไปในทางที่ไม่ดีนั้นก็ต้องพยายามยับยั้งความคิดนั้นด้วยการใช้เหตุผลใช้ปัญญาสอนใจว่าเราจะดีไม่ดีนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ได้สูงกว่าผู้อื่นไม่ได้เร็วกว่าผู้อื่นเราเร็วความเร็วอยู่ที่ตัวเราเองความดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่เกี่ยวกับคนอื่น ที่เรารักษาศีลนี้ก็เพื่อรักษาให้ตัวเราดีเพื่อให้เราจะได้ไม่ทําบาปเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปที่เรากระทาข้อที่สองจะปฏิบัติธรรมและแก้ไขอย่างไรหากทําผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฐิถือดีเกิดทิฐิมานะและโมะโหง่ายกว่าเดิม ก็ต้องรู้รู้ตัวว่าตัวเองคิดผิดทำผิดมีมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่รู้ก็มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนเทวทัศน์นี้ตอนต้นก็ไม่รู้ที่ตนเองมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดที่จะคิดว่าตนเองนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเสมอเท่าพระพุทธเจ้าน่าจะเก่งกว่าด้วยซ้ำไปเพราะคอยเปรียบเทียบตนเองกับพระพุทธเจ้าว่าตนเองนี้ พระพุทธเจ้าฉันเนื้อตนเองไม่ฉันเนื้อพระพุทธเจ้าพักอยู่ในกุฏิตนไม่พักอยู่ในกุฏิอยู่ตามโคนไม้พระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์ตนเองไม่รับกิจนิมนต์คือการปฏิบัติของตนจะเข่งอย่างไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของตนไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนตนเองไม่ได้ทาเหมือนคนอื่น เช่คนกินเจนี่บางทีก็จะไปมองว่าคนกินเนื้อสัตว์นี่เป็นยักษ์เป็นมารไปเอลืมไปว่าวัวควายมันก็กินเจเหมือนกันเอเพราะงั้นความหลงนี่มันต้องมีปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคอยเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่มาคอยเตือนใจเราว่าให้เรา อ, อ, นน อ, อ่อนน้อม่อนน้อมถ่อมตนอมีสัมมาคารวะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามถึงแม้เราจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยังมีสัมมาคารวะอยู่เราอยู่ในโลกสมมุติที่มีผู้ที่เขาสูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพแก่ผู้ที่เขาสูงกว่าเราเราอย่ามาหลงกับความถือตัวของเราซึ่งจะทําให้เราเสีย ทำให้เราทำตัวไม่ถูกเกิดโทษกับเราต่อไปคาถามข้อต่อไปนะครับการสวดมนต์คือการท่องภาษาบาลีหากท่องเป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยไม่มีภาษาบาลีจะมีผลเหมือนกันหรือไม่หรือต่างกันอย่างไรถ้าเราท่องภาษาบาลีนี้เราจะไม่เข้าใจความหมาย ซึ่งบทสวดมนต์ส่วนใหญ่นี้จะเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสวดบทแปลได้เราก็จะได้รับความเข้าใจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ปัญญาด้วยถ้าสวดภาษาบาลีอย่างเดียวก็จะได้สติได้สมาธิจะไม่ได้ปัญญาเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของภาษาบาลี ดัง น, นั้นถ้าเราสวดภาษาไทยได้เราก็จะได้ความรู้ไปด้วยเหมือนกับฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเป็นภาษาบาลีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ทําใจให้สงบจากการได้ฟังเสียงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราฟังแล้วเราเข้าใจเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาเกิดขึ้นมา คำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับถ้าเราท่องพุโทโธอย่างเดียวตลอดเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมการท่องพุโทโธอย่างเดียวนี้เป็นการเจริญสติซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นแรกของการที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรแต่การมีแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กที่ยังวิ่งไม่ได้ยังเดินไม่ได้ก็ต้องหัดยืนก่อนการสวดมนต์พุทธการบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการหัดยืนขึ้นมาก่อนที่จะเดินก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วทีนี้ก็ค่อยหัดเดินได้ พอเดินได้แล้วต่อไปก็หัดวิ่งได้ฉะนใ้นการจเจริญสติคือการบริกรรมพุโทโธนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ได้สมาธิให้ได้อุเบกขาให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกขตตาลมสักตะวารู้ให้ใจมีความสุขมีความสงบแล้วพอมีสมาธิแล้วก็จะสามารถที่จะใช้ปัญญาในการต่อสู้กับปัญหาความอยาก ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถทําลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีตันหาความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาดัางนั้นการบริกรรมพุทโธนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเป็นการจเจริญสติเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิ ให้เป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไปรักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็าจะหมดความอยากไม่อยากได้อะไรเพราะสิ่งที่อยากได้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณอาภิวัตนะครับข้อที่หนึ่งภาวนาอย่างไรจึงจะได้ผลทางใจก็ต้องภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนาขั้นต้นก็ต้องสมถะภาวนาก่อนแล้วค่อยไปสู่วิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ตามมา เจริญสติเฉพาะเวลาที่นั่งหลับตาเท่านั้นต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบันพอใจอยู่ในปัจจุบันใจก็จะสงบได้เพราะความสงบต้องเกิดในปัจจุบัน ถ้าไปอดีตนี้มันสงบไม่ได้ไปอนาคตก็สงบไม่ได้เพราะมีการกระทำมีการปรุงแต่งของใจมีการทำงานของใจใจไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆใจมีความคิดปรุงแต่งด้วยแต่ถ้าเดึงใจให้มาตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ได้ไม่มีความคิดปรุงแต่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีที่เราควรจะภาวนา คือจเจริญสมถภาวนาไปก่อนอย่าไปสนใจเรื่องวิปัสสนาอย่าไปสนใจเรื่องการจเจริญปัญญาเพราะว่ามันข้ามขั้นไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดต้องมีสมถะก่อนถึงจะไปทางวิปัสสนาได้ข้อที่สองสังขารคือกายไม่มีความอดทนเพียงพอการภาวนาพุทโธ โดยมีสติอย่างเดียวจากเพียงพอหรือไม่ครับเพียงพอตาเลยไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับพระอาจารย์สติเพียงพอต่อการปฏิบัติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็อย่างที่พูดไว้เบื้องต้นก็ต้องเจริญสติให้มากบริการพุทธโธให้ต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ใจคิดไปในอดีตหรือคิดไปในอนาคตให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบัน แล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสูอ่อุเบกขาได้ข้อที่สามเดินจงกรมมากกว่าการนั่งจะมีผลมากน้อยเพียงใดคือจะเดินหรือจะนั่งนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่การเดินการนั่งนี้เป็นการเปลี่ยนอิรยาบถของร่างกายที่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้านั่งอยู่นานๆนั่งอยู่ในเรียบทเดียวร่างกายก็จะเกิดอาการเจ็บขัดยอกตามร่างกายได้ถ้าเดินอย่างเดียวเดินมากเกินไปก็จะเกิดความเมื่อยความความเจ็บปวดได้ก็ต้องมีการสลับไปการเดินการนั่งนี้เป็นการผ่อนคลายความทุกข์ทางร่างกายแต่เวลาเดินรือเวลานั่งถ้าจะให้เกิดประโยชน์ทางจิตใจก็ต้องมีการภาวนา มีการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่ในขั้นเจริญสติถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็พิจารณาไตรลักษณ์ไปอา น, นิจังทุกขังอนัตตาไปดังนั้นมันไม่สําคัญว่านั่งมากกว่าเดินแล้วเดินมากกว่านั่งการปฏิบัติมันจะบอกเองว่าควรจะนั่งมากแล้วเดินมากตามขั้นตอนของการปฏิบัติน คำถามข้อต่อไปจากคุณต้นอ้อนะครับจุดเกิดและจุดดับของคนเราอยู่ที่ไหนถ้าเป็นร่างกายก็ตอนออกมาจากท้องแม่หรือว่าตอนที่ปฏิสนธิอยู่ในคันตอนที่เชื้อของพ่อของแม่มารวมกันก็เป็นจุดเกิดของร่างกายแล้วจุดดับของร่างกายก็ตอนที่ไม่หายใจแล้วส่วน ใจนี้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับอะไใจนี้เป็นของอมะตะเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาคําถามข้อต่อไปจากคุณปราถนาความไม่มีนะครับข้อที่หนึ่งผมเคยได้ยินคําว่าอะมนุษย์หมายถึงสิ่งใดก็อะแปลว่าไม่ไงมนุษย์ก็แปลว่าไม่เป็นมนุษย์น อมนุษย์ก็พวกเทพทั้งหลายนี่ก็เป็นอาบมนุษย์อพวกเบสพวกเดรัชานก็เป็นอามนุษย์เนี่ยคือการไม่เป็นมนุษย์นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นอาบมนุษย์ข้อที่สองถ้าหากมีอาบมนุษย์การแผ่เมตตาที่เราแผ่ให้จะสามารถแผ่ถึงเขาได้หรือไม่และยากกว่าการแผ่ให้สัรวสัตว์ทั่วๆไปหรือเปล่าครับก็เหมือนกันอะอามนุษย์ก็ ต่างกันตรงที่ว่าเขาไม่มีกายหยาไม่มีร่างกายหยาเหมือนเราท่านเองแต่เขาก็มีใจเหมือนกับเราถ้าเราพบปะเขาเราก็แผ่เมตตาก็หมายความว่าเราส่งความปรารถนาดีให้กับเขาเหมือนกับเวลาเราเจอผู้คนเวลาเราพบปะกันเราทำอย่างไรเราก็ทักทายกันสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขามา มามาพบปะกับเราทางจิตวิญญาณเราก็เราก็ทักทายเขาต้อนรับเขาคุยกับเขาเหมือนกับเราคุยกับคนที่เราพบปะนี่แหละไม่ต่าง ก, กันตรงไห น, นคำถามข้อต่อไปจากคุณทัญพรนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งช่วงต้นนะครับรบกวนขอคําถามปฏิบัติค่ะตอนนี้มีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในช่องอก ตลอดเวลาใจมันรู้สึกวิงวิเท่าที่สังเกตจะเป็นตอนทำสมาธิภาวนาตั้งภาพอสุภะรวมถึงตอนฟังเทศเข้าใจว่าเป็นอาการทางธรรมอย่างหนึ่งเพราะตอนที่จิตใจวาววุ่นนี้จะไม่เป็นเลยปัจจุบันได้เน้นภาวนาอสุภะตั้งภาพแล้วให้พังลงมามีอีกครั้งพออสุภะนั้นพังโคมลงมาแล้วทุกอย่าง มันถูกดูดเข้ามาในจิตกลมๆสีขาวจางๆอยู่ที่กลางอกเป๊ะทุกอย่างถูกดูดเข้ามารวมถึงส่วนหน้าอกของตัวเองด้วยช่องอกว่างเปล่าแต่รู้สึกว่าส่วนท้องลงไปยังมีอยู่คอและหัวยังมีอยู่มีครั้งหนึ่งเห็นภาพหน้าคนผู้ชายบวมเน่าแล้วกลายเป็นหน้ากระดูกจากนั้นก็มีหน้ากระดูกลอยเข้ามาหลายๆหน้าแต่เคยเป็นแบบนี้เพียงครั้งเดียว ช่วงหลังๆนี้ดิฉันได้ทดลองนั่งสมาธิแบบเดินปัญญาดูใช้อสุภะกับพิจารณาขันท่านั่งได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งบางครั้งได้เห็นเวทนาดับไปปวดที่เท้ามันหายไปเลยเหมือนได้เท้าใหม่แต่บางครั้งก็ยอมแพ้เพราะเจ็บปวดเท้ามากบางครั้งปัญญาเดินดีความจาจากที่หลวงตาเทศเมื่อนานมาแล้วมันผุดขึ้นมาเองตอน ที่ฟังนั้นไม่เข้าใจแต่ตอนภาวนานั้นมันเข้าใจและได้เห็นเวทนาดับลงไปจริงๆแต่บางครั้งปัญญาไม่เดินเลยเลยยอมแพ้ไปก็มีมีคำถามดังนี้ข้อที่หนึ่งตอนนี้ดิฉันพยายามค้นหาข้อมูลด้านขันห้าด้านการพิจารณาทุกเวทนาโดยค้นเทศขององค์หลวงตามหาบัวที่เป็นแกงหม้อจิว๋ว โดยหามาได้หนาเกือบสองนิ้วปิ้นมาเป็นกระดาษแฟ้มใหญ่ๆเพื่อเจตนามาอ่านทำความเข้าใจไว้พิจารณาตอนปวดขาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะใช้ปัญญาก่อนแล้วตอนปวดขาจะงัดมาสู้กับความเจ็บปวดก็ถ้าได้ผลก็ได้ถ้าไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้ถ้ามันเป็นปัญญามันก็จะดับความทุกข์ใจได้ ถ้ามันเป็นสัญญาความจำมันก็จะดับไม่ได้งั้นมันก็อยู่ที่เวลาปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วไม่ไม่ได้ผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมาธิเราไม่มีกำลังพอก็ได้งั้นก็ต้องดูดูว่าสติสมาธิปัญญานี่มันสมบูรณ์หรือไม่มันต้องมีทั้งสามส่วนนี่มันถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ ข้อที่สองทำอย่างไรถึงจะพิจารณาขันห้าได้ดีๆเตรียมตัวโดยการเดินจงกรมมาสองถึงสามชั่วโมงก่อนจะช่วยให้จิตเดินปัญญาได้ดีมากขึ้นหรือไม่คะถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่การจะเดินปัญญานี่เป็นของยากอย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้ายังเดินไม่ได้ไปวิ่งนี่มันก็มันก็วิ่งไม่ได้ต้องหัดเดินให้ได้ก่อนก่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อน นั้นควรจะกลับมาพิจารณาดูว่าเรามีสติเตียงต่อเนื่องหรือเปล่าเรามีจิตเป็นสมาธิจิตเรารวมเป็นหนึ่งได้หรือเปล่าเป็นอุเบกขาได้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้การจะไปเจริญทางปัญญามันจะเป็นสัญญาเป็นความจาเสียมากกว่ามันจะเป็นความคิดมันจะไม่ใช่เป็นความจริงมันจะไม่สามารถตัดตันหาความอยากได้ข้อที่สาม อาการที่มีในอกนี้คืออะไรคะที่ฉันควรพยายามรักษามันเอาไว้ใช่ไหมไม่หรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ร่วมเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะหายก็หายไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันข้อที่สี่การเรียนขอคําแนะนําการเตรียมตัวเตรียมอาวุธเพื่อสู้กับความเจ็บปวดตอนภาวนาค่ะก็เนี่ยต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ อย่าให้ใจลอยไปอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับก็อารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้ขอให้มีที่เกาะให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้แล้วเวลาจะนั่งสมาธิใจก็จะสงบเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อต่อสู้กับทุกเวทนาก็จะสามารถทาได้ เขาหมายเหตุมาว่าอาการวิงวิงในอกนี้แม้ตอนปกติอยู่นอกสมาธิก็เป็นเป็นอยู่ประจําแม้กําลังคุยหรือขับรถก็ถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายถ้าอยากจะหายก็ไปหาหมอดูหายากินถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากจิตใจก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันให้พิจารณาว่ามันเป็นปลายร่าง หรือแม้เป็นเรื่องของร่างกายเราก็พิจารณาเป็นใจรักไปก็ได้มันจะเป็นก็เป็นไปถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา mm. ถ้าอยากจะให้มันหายแล้วรักษาได้ก็ไปหาหมอไปหายามารับประทานแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันจะหายขาดเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่ได้อยู่ดีเพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้ฉันั้นเพื่อเพื่อความ ความถูกต้องในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่าเป็นตายลักก่อนพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้กำจัดความวุ่นวายใจพอใจไม่วุ่นวายแล้วเทนี้จะอยู่กับมันก็ได้จะรักษามันก็ได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ตัวปัญหาคือใจตัวที่มีความวุ่นวายใจถ้าไม่รักษาที่ความวุ่นวายใจไปรักษาที่อาการของร่างกายเวลามันหายมันก็หายวุ่นวายไปชั่วคราว เดี๋ยวพอมันกลับมาใหม่ก็วุ่นวายใหม่อีกแต่ถ้าเรารักษาที่ใจว่ารับกับมันได้มันจะอยู่ก็ได้มันจะไปก็ได้มันจะหายก็ได้มันจะไม่หายก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับมันต่อไปพระอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับการขับรถครับอาจารย์หากหากเราขับรถอยู่เนี่ยแล้วเราสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยผลจะเกิดไหมครับในเมื่ออ่าสติเรายังต้องจดจ่ออยู่กับการขับรถอยู่ครับอาจารย์ คือถ้าเราขับรถนี้เราต้องมีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักแต่ถ้าเราขับรถมีสติอยู่กับการขับรถใจมันยังเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้พุทโธเดินกลับเข้ามาให้มันอยู่กับการขับรถต่อไปอย่าไปถืออย่าไปอยู่กับพุทโธเป็นหลักเวลาขับรถเพราะเดี๋ยวถ้าเราอยู่กับพุทโธเราไม่ดูถนนเราไม่ดูรถเดี๋ยวเวลาเกิด อุบัติเหตุเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมรถให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยนั้นเวลาขับรถเวลาทําอะไรนี้เราต้องถือการกระทําต้องมีสติอยู่กับการกระทําเป็นหลักส่วนการใช้พุโทโธนี้เป็นรองเวลาที่เราทําแล้วมันยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุโทโธดึงมันกลับมาให้มันมาอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ าาจำไม่ได้แนะ่ก็บอกว่าช่วยเพื่อนก็ <_ d ata> ฝากคําถามให้ในอีเมลคะช่วยเพื่อนตลอดคือคนนี้นเหมือนกับดีเพื่อนที่ฐานะต่ากว่าแต่ทีนี้เพื่อนคนนั้นกลับมาขายาลอตเตอรี่แล้วก็อยากให้เขาซื้อลอตเตอรตี่ <_ d ata> เขาเนี่ยก็คิดว่าการซื้อลอตเตอรี่เนี่ย <_ d ata> ผิดศีล <_ d ata> เขาก็เลยหลีกเลี่ยงก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ช่วยไม่ไม่เมตตาเพื่อนคนนั้นน่ะอย่างนั้นเนี่ยก็คือขอเมตตาว่า การกระทําของเขาว่าถูกหรือผิดยังไงนะคะที่มันไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยคนนี้แล้วไม่ช่วยซื้อลอตเตอรี่เข้ามาให้ให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเขาได้เนี่ก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็เอาลอตเตอรี่เกินเข้าไปก็ได้ช่วยเขาแล้วเป็นย า, ยากๆตรงไหนเลยมัน่าจะมีปัญหาเลยขเขาอยากจะขายลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อซื้อแล้วแล้วก็เอาลอตเตอรี่ให้เขาไปเท่านั้นเองมันก็จบ อ๋อแต่ถ้าเก็บไว้เองจะเป็นการเรื่องจำพนันไปใช่ไหมครับอาจารย์มันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าการเราได้เงินมาแบบนี้มันได้ไดเงินมาจากความทุกข์ของผู้อื่นได้มาจากการสูญเสียขอ ง, ของคนอื่นเงินที่คนยาไปใช้ทําประโยชน์อาจจะไม่ได้ใช้เช่นเอาไปซื้อนมให้ลูกกินซื้อข้าวให้ซื้อให้ซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าให้ลูกให้ภรรยาก็เอามาซื้อลอตเตอรี่หมดนี้ อันนี้ก็เป็นเอาเงินของของคนที่เขายากไรมาเหมือ น, นกับว่าเราได้ความสุขบนกองทุกข์ของคนอื่นนี่คือเรื่องของการเล่นการพนันเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเล่นควรจะหาเงินด้วยวิธีที่ทาด้วยําแข่งลาขาของเราเองทาด้วยหยาดเหงื่อของเราเองจะดีกว่า พระอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามครับก็คืออ่าเป็นเหตุที่เกิดกับตัวเองครับพระอาจารย์คือทางแม่เนี่ยได้ฝากเงินเนี่ยไปให้มอบไปกับผู้อื่นนะฮะแล้วผมก็นําไปแต่ว่ายังอแต่ว่ามันตกหล่นอยู่ครับยังขาดอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้ไปให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดนะถ้าเอาไปให้เขาเนี่ยจะเป็นไรไหมครับพระอาจารย์หมายถึงว่าเขาฝากไปยังเอาไปไม่ถึงไม่ไม่ครบครับเออไปไม่ครบครับพระอาจารย์ ก็แสดงว่าเรายากย่อกอก็คือเอาไปไม่ครบกับไพศาลไม่ใช่ก็คือก็เลยรู้สึกผิดอะลืมมีอะไรอย่างเงี้ยครับจะเอาถ้าเกิดว่าเอาไปคืนเขาต่อเนี่ยได้ถ้าเราเอาไปไม่ครบก็เอาไปให้ครบแต่เราบอกเขาว่าพอดีมันมันขาดไปอ๋อแต่ต้องแจ้งให้เขาทราบแล้วก็จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาจะได้เข้าใจงว่าทําไมเอามาให้ครับได้ครับขอยนุญาตครับ จากคําสอนของกุบาจารยพระองค์ท่านบอกว่าเวลาทําความดีแล้วไม่ไม่ต้องให้ยึดในความดีหมายความว่าอย่างไรทรับอาจารย์คือว่าทําความดีแล้วอย่าหวังผลตอบแทนท่านว่าอย่างนั้นให้ทําแบบว่าทําเพื่อให้เราสบายใจมีความสุขใจที่เราได้ทําความดีส่วนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรานี่เขาจะเห็นคุณเห็นบุญหรือไม่ขอบอขอบใจเราหรือไม่ มีความกระตันอยู่หรือไม่นี่เราอย่าไปหวังเพราะถ้าเราไปหวังเราอาจจะผิดหวังได้เพราะบางทีเขาอาจจะไม่เห็นบุญเห็นคุณของเรานี่คือความหมายคือทาไปแล้วก็แล้วกัวกนไปอย่าไปยึดอย่าไปติดทำเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นการเพียงแต่ว่าเอาเอาสายความเดือดร้อนของผู้อื่นมาเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับเราคือเสียสละ จากะแบ่งปันทานแบ่งให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกแก่ผู้อื่นทุกนั้นก็จะกลับมาหาเรานี่คือหลักของการกระทาให้เราทำแบบนี้ทำแล้วอย่าไปหวังผลจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ขอ ยุติการประชมไว้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาอาจารย์ครับพรุ่ดีจะขอหนีไปเที่ยวนะครับคือว่าฝนั่งที่หมดแล้วแต่ว่า